หลวงพ่อคำเขียนท่านเคยพูดว่าสิ่งหนึ่งของท่านเนี่ยก็คือการรักษาธรรมชาติเพราะว่าท่านรักธรรมชาติรักป่ารักเขารักลำห้วยลาทานสิ่งนี้ของท่านก็พาท่านไปทำการอนุรักษ์ฟื้นฟู ร, รักษาป่ารวมทั้งริเริ่มการจัดทาธรรมยถตราซึ่งเริ่มเนปี 4-3 สนะแล้วก็ปีนี้นี่ก็จะเป็นปีที่15 เราก็จะจัดหัวข้อทำในทำโดยใช้ชื่อว่ า, อาตอบแทนครูบูชาคุณก็หมายถึงหลวงพ่อนั่นแหละใน ต, ตอนนั้นคิดว่าหลวงพ่อจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงธรรมญาตินะก็เลยตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นอาจารยบูชานั่นคือซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งของหลวงพ่อท่านบอกว่าก็เป็นซีของการสอนธรรมะสอนกรรมฐาน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 ไม่น้อยเลยนะกับเรื่องการสงเคราชชาวบ้านแล้วก็พัฒนาชุมชนนะซึ่งมีพื้นที่หลักก็คือที่ท่ามใบหวานอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าท่านไปดำรษาที่ท่ามใบมาใบหวานในปี200แล้วก็ช่วงที่อยู่ที่นั่นก็ช่วยสงเคราะชชาวบ้านมาโดยตลอดอหลวงพ่อจึงเป็นที่รู้จักกันใน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 ประสบการแบบนี้นี่หลวงพ่อท่านชอบนะพ่อไม่เคยได้เจอแล้วก็ไม่เคยไม่มีอีกเลยนะหลังจากนั้นก็เป็นการไปทัศนศึกษาอินเดียมัง่งปูฐานมัง่งแต่ว่าไปกับโยมส่วนใหญ่มีพระเป็นส่วนน้อยแต่ครั้งนั้นนี่ท่านไปนะกับพระแล้วก็คุ้นเคยกันตอนที่ไปนี่ท่านก็ได้รับฟังประสบการณ์ของ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 แต่ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นท่านก็ชอบนะเพราะว่าได้ไปไปสัมผัสกับอะไรหลายอย่างที่ตอนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่รวมทั้งการที่ได้พบปะกับหมู่มิตรที่เป็นพระด้วยกันต่อมาก็ได้มีโอกาสไปเดินทางเดินทางตามประเทศกับหลวงพ่ออีกหลายครั้งนะก่อนนั้นนั้นก็เคยนะปีสามสี่ก็ไปอินเดียปีสามหก็ไปบาหลีเป็นคณะเล็กเล็กห้าคนเท่านั้นนะ อินเดียก็มีพระสองพระสามโยมสองลัสนาตัสิตธกูลก็ไปด้วยกับคนที่ชื่อตู่นะคนที่ตู่ตู่ก็คือคนที่เมื่อวานนี้ไปเป็นรับเป็นผู้เป็นกองกำนวยการกับพวกเราที่ทำราไฟหวานท่านก็ชอบ ม, มากเพราะว่าเป็นการไปแบบสบายๆแล้วก็กลุ่มเล็กๆไม่มีพธิธีตองมากแล้วก็ผจนภัยพอสมควรนะใช้ภาหาะทุกอย่างรวมทั้งรถไฟโดยรถไฟ ของอินเดียนี่มีชื่อมากอยู่แล้วแล้วก็ผจนภัยกันในรถไฟก็สนุกกันมากนะแต่ตอนนั้นไม่สนุกหรอกนะเพราะว่าต้องบู๊กับแขงถ้าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่น่ารักนะเพราะว่าท่านเป็นัวหน้าขะนาก็จริงนะแต่ว่าท่านปล่อยให้พวกเราเนี่ยจัดการเอ ง, งหมดจะทำอะไรก็บอกแท่นกัแล้วกันนะท่านก็ยินดีไม่มีการเรียกร้องไม่มีการจู้จี้หรือบ่นอะไร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 ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรที่จะมาแทรกแซงการตัดสินใจของเราเพียงแต่บางครั้งท่านก็อาจจะเห็นใจแข่งนะมีคราวหนึ่งเนี่ยนั่งรถนั่งรถรถลากนะรถสอรถรถล้อไปหมหายทยายพาราสีแขกบอกว่าทั้งหมดเนี่ยรถหนึ่งประมาณสิบรูปีเราก็นั่งกันสองรถสองคนต่หนึ่งรถพอไปถึงเขาว่าว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ คันละสิบรูปีนะคนละสิบรูปีอา้าวแล้วคราวนี้เราก็ไม่ยอมเฉยนะจะมาเล่นกับเราเห็นว่าเป็นมูสยามได้ยังไงเราให้เขาไปสิบรูปีเขาไม่รับรับเขาไม่รับเขาไม่รับเราก็เดินไปเลยนะไม่ให้เงินเขาเลยนะเขาก็เดินตามขับรถตามหลวงพ่อเห็นก็บอกว่าให้เขาไปเทอานะนะไอเรานี่ตอนนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องความเป็นธรรมนะรับปากอะไรเราต้องทําตามมจะมาเบี้ยวไม่ได้